อาอุบิลลาอิมิน الشيطان الرجيم فأرادوا به كيدا فجعلناه ملأس و ق ا ل َ إ ن ي ذ ا ه ب إ ل ى ر ب ي س ي ي وَقَالَ إ ِ ن ي ز ا ه ِ ب ٌ إ ل َ ى ر َ ب ّ س َ ي ي ร ب, ال ب, ب م ِบฮา ل ลีมีนอัลซัลฮิยินอาชช์َ์น้าฮุบิฮุลٍห์มินฮาลีมอ ش َช์ร ن َ ا าฮุบิฮุลาห์มินฮ َ ل َ م َّ ا بَلَوَ مَعَهُ ا ل س َّ ع ْ ي َ قَالَ يَا بُنَيَّ ق ا ب إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أ ن ِّ ي أ ز ْ ب َ ح ُ ك َ ف ا ن ظ ُ ر م ا ا ت َ ر ى ق ا ل إ ن ا ل َ ع ل م ا تؤمر ق ا ل ي ا أ َ ب ت ِ ف ع َ ل م ا ت ُ م ر س َ ج د ิดหนี ن ิ้นชาอัลลอฮ์َิ่นอัลซั ل บَّัลลัมม ي ن ัลَัมม ل อัล ل ัมม์อัล وَنَادَى نَاهُ أ َ ي َ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م قَدْ ص َ د َ ق ت ق َْ ر ْ ي َ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 و ่ ش ه د ว ن لا ล ل ه อ ل ا الله وحده لا شريك له و ا ش ه د ล ن م ح م د ช ا عبد ه ورسوله اللهم بك อฮ ب ح ن ا وبك ا م س ي ن, وب ن ا وبك نحيا وبك نموت و ั ل บิคนะฮียะวับบิคนะมุต ل ไวไลค์ณนุชูร์อัลกุซบิค ل ิมัติลลาฮิตามัติมินชาริ ا ะฮัลักบิสมิลล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 سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه و ز ة ه, و ه. و وم, ه ن ة عرشه ومداد كلماته يحيو يقيوم برحمةك أستقيس أصلح لي شأني كله ودكتلني إلى نفس ت ر ف ع ي ن حسبي الله ونعمل وكيل حسبي الله ونعمل وكيل حسبي الله ونعمل وكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาสุบที่มัสยิดอันวาริสุนนะคอนเครตนะครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตับซีอัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านบางคนก็นั่งอยู่ที่ตลาดนะครับไปโทรศัพท์มาแจ้งว่าฟังที่ตลาดก็มีอัลฮัมดุลิลลาฮ์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานวตอลนะครับอัลลอให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้เนี่ยไม่ใช่ความสามารถของเรานะ เป็นเพราะอาลัลลอฮฺเมตตาให้เรามีชีวิตอยู่ยาวมาถึงวันนี้แล้วอลัลลอฮฺจะเรียกกลับเมื่อไหรก็ได้คนที่แข็งแรงมี ก, กำลังกำลังกวางชาแข็งแรงอยากกินบะชันแน่นะนี่เป็นริสกีกที่อลัลลอฮฺให้ชั่วคราวจะดึงกลับเมื่อไรก็ได้พี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยต้องผูกพันกับอัลกุรอานเท่านั้นถ้า หันหลังให้กับอัลกุรอานไม่อ่านอัลกุรอานไม่ศึกษาหาความรู้จากอัลกุรอานเนี่ยอัลล์เล่าในกอกุรอานในก็รเล่าอย่างนี้ว่ามันอ้าอัลออังซิกรีฟาอินน่าละหมาอีชัตันดองกาผู้ใดที่หันหลังให้กับอัลกุรอานอัลกุรอานเรียกว่าธิกรกตก็ได้ใครที่หันหลังให้กับการนึกถึงอัลลอ ใครที่หันหลังให้กอ่านการไม่อ่านอาลัลกุรอานเลยหันหลังให้กุรอานเลยอ่านก็ไม่อ่านหาความรู้จากกุรอานก็ไม่เอาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ก็มีชีวิตอยู่ไหมให้มีอยู่ครับให้อยู่แบบไหนครับฟาอินนะาลลฮูมาอีชา ต, าตันดองกาชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยคับแคบคับแคบบนดุนยาไม่พอนะคับแคบในกุโบด้วยอันตรายมากครับ นี่รงที่หนึ่งนะเรื่องที่สองคนที่ไม่เอาอัลกุรอานเป็นทางนางสำหรับชีวิตเนี่ยอลัลลอฮ์จะกล่าวเสริมไปอีกว่าม่ยักษ์อั من, น ذكر الرحمن نقية له شيطانا فهو له قرين ไม่เอาอัลกุราอานอัลลอ์กล่ า, ลาวบอกว่าผู้ใดที่หันหลังให้หรือว่าไม่นึกถึงอลัอลลอฮ์นละอัลลอ์จะกาหนดไซตอนตัวหนึ่ง มาเป็นมาเป็นเกลอมาเป็นเป็นเพื่อนเป็นเกลออยู่กับเขาตลอดยี่สิบชั่วโมงเลยแล้วใช้ตอนนี่ยอยู่กับเราเยอะๆเนี่ยนานๆเนี่ยมันดีอดแล้วใช้ตอนนีน่ยมันแนะนํามันชีน้นามาล้างสมองในทางที่ชั่วหมดเลยอนึกแต่เรื่องชั่วชั่วชั่วชั่วมาถึงวันโรคโควิดมาครั้งั ง, งที่สองเนี่ยเพราะอะไรลงมา ก็เราทำตัวเองอ่ะทั่วโลกนั่นแหละนะอย่าไปทำหนี้ใครเลยนะทำหนี้ตัวเองดีกว่าไอ้ทำท่าจะหนักกว่าเก่าอีก่พะพอราฟังข่าวอยู่นี่มแ ล, ล้วโรคโรคโควิดนี่ไม่แสดงอาการทำให้เรานึกถึงคนที่ไม่เอาอัลกุรอานไม่ไม่ไม่แสดงอาการครับ อี่างอร่อยกระดุนยานี่แหละอร่อยก็สเรื่องด้วยนะหนึ่งเงินสองชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศอร่อยครับไปแสดงอาการตอนไหนละความตายมาถึงคอหอยเมื่อไหรจะรู้สึกอัลลอฮ์ไม่ไม่ให้แสดงอาการเลยนะอาการไม่เอากาณุณอ่านไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลแล้วก็ไม่เชื่อวันเกีย ม, มตรติมีไม่เชื่อวันเกียรติมามีนี่นะอาการไม่แสดงครับอัลลอฮ์จะให้พเพลอยู่กับ อร่อกับเรื่องนี้แหละคล้ายๆกับโรคโควิดเหมือนกันแหละพี่น้อง <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เอาเรื่องที่สามนะครับในอลัลลามบัตรักเนี่ยคนที่ไม่เอาไม่หันหลังให้หลังให้กับอัลกุรอานนี่นะเลาเล่าเองนะครับมีมาลายกาสององค์มาหาคุณนะแล้วคุณตอบอยังไงก็ถามสามเรื่องใช่ไหมามารบบูกามันนบียูกามันอิมาบูกาตอบไม่ได้สักเรื่องหนึ่งอนะ <c oughs> คนที่ห่านหลังให้อัลกุรอานเนี่ยแล้วอัลลอฮ์ก็ให้มลายการมาถามอีกประโยคหนึ่งทําไมคุณไม่เรียนทําไมคุณไม่อ่านน่ะคุณอ่านหนังสือได้ทุกเล่มอ่ะบนโลกดุนยาไปนี้นะ่ะอ่านหมดน่ะยกเว้นอัลกุรอานเล่มเดียวฉันไม่เขา อ, อ่าน่ะเองเจอแ น, น่ๆในงานนี้จะอาการจะออกตอนนอนอนอยู่ในกูโบนาอูสบิลยาฮิมินซาลิกเรื่องที่สี่นะครับเมื่อฟื้นขึ้นมานี่ฟื้นจริงๆนะมาใช่ไม่ฟื้นนะ่ะ ทุกคนต้องฟื้นหมดครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมุสลิมมัใช่มุสลิมยะฮูดีโนสรลนีกาฟิรินใครก็ตามเกิดมาเท่าไหรนะ่น่ะตายหมดแล้วตายเท่าไหร่ฟื้นหมดพอฟื้นมาเป็นไงครับวันนะชูรูยาว์มังติยามติอามาเขาฟื้นมาในสภาพคนตาบอดเราแค่นี้พอนะแค่สี่เรื่องพอแล้วนะเนาะฉะนั้นมาอยู่กับอัลกุรอานดีกว่านะอยู่บ้างให้อ่านกรุรอานทุกวัน นามาญขาดบริจาคสม่ำเสมอขอดอาทุกวันสม่ำเสมอและสิรุลลอสม่ำเสมอและติดต่อกับเครือญาติตัวเองสม่ำเสมออย่าทะเลาะกับเครือญาติตัวเองเฉพาะพ่อแม่อย่าทะเลาะกับ เ, า เ, าะะ เ, าเขาหนาะต้องดีกับเขาไปมาหาสู่กันเยี่ยวกันขอดุอาันให้เขารอรับบัตรยิ่งใหญ่ครับเอาวันนี้เรามาถึงอายาที่ซูรออัลซอฟว่าทันการสวัสดี่ามสิเจ วันนี่ปี ใ, ห ม, <laughs> ห, ใหม่ใช่ไหมปีที่แลในปีที่สามสิบแปดล้วใช่ไหมนะใช่สิตับซีดมาในปีที่สามสิบแปดผมจยังจาได้อยู่ปีที่ส8มสิบแปดูรอยังได้สามสบ็ดอยู่เลยนะ <laughs> เอาวันนี้มาถึงสูรออัสราฟาัตนะครับฟาโรดูบ <s> ิฮ <f> ัยดังฟาจัลนาฮูมุลอัสฟาน ฟารอดู b i h a ดาวฟ้าจ عل นั่มุลอสฟลีนอัลฮัมดุลิลลอฮฺอัลลอฮฺบกว่านี่ภาษาอัภาษาอัลลอฮ์นะเนี่ยภาษาอัลออร์นะฟารอดูมาดูสับก่อนรอดูไปว่าพวกเขาต้องการนะครับหรือพวกเขาเนี่ย <ان> ประสงค์ต้องการประสงค์อารอดูมีความประสงค์มีความต้องการบีฮีกับนบีอิบรอฮิมเรากำลังอยู่พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ตารี ข, ของนบีอิบรอฮีมซึ่งอัลลอฮ์เล่าประวัติของนบีอิบรอฮิมให้นบีมุฮัมมัดฟังให้นบีไปด่าว่าพาะนบีก็ถูกรังแกไหม ถูกไล่ถูกสารพัดถูกดา่าแล้วคนที่ดา่นานบีนะ่ะญาตินบีหมดเลยนะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อลัลลอฮ์ในตำ บ, บา จ, จมานะนั่นกุมบุตรกาอบดุลละฮับใช่ไหมทํำไมอลัลลอฮ์เล่าเน่รื่องว่าความชั่วของอบุญละฮับเนะี่ยเพราะเล่นนบีไปเยอะแต่นบีเคยตอบไหมไอันนี้ตั้งหาเราสบายใจว่านาบีไม่เคยโต้อตอบเลยนะ่ะเอา้าด่าก็ดาก่ดาไปใช่ไหมแต่คนที่ตอบแทนก็คืออัลลอฮ์เอ อ, เ, อ, ลอเล่นงานเองเลยนะครับ เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องของนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็วางแผนไกดันแปลว่าแผนร้ายไกดันแปลว่าแผนร้ายพวกเขานะครับมีความประสงค์หรือมาตหมายที่จะวางแผนร้ายต่อนบีอิบรอฮีมาดยฮิสลามแผนร้ายมีอะไรบ้างอะจุดเผาแคหาฟืนมา ไม่รู้ว่ากี่วันกี่ปีตัดตัดฟืนมากเท่าไรก็ไม่รู้นะเอามากองกองกองกองกองกองกันวันนั้นสมองสติปัญญาคิดได้แค่นั้นแหละใช่ไหมละ่ะถ้าสมัยนี้อาจจะทําอย่างอื่นนะยุงยินเลยก็ได้ใช่ไหมละ่ะที่ความคิดได้แค่นั้นอัดรอก็เล่าให้ฟังนะนะวางแผนที่จะทําลายอิบรอฮิวางแผนชั่วนะ่ะที่จะทำลายนาบีของ ALL. อัลลอฮ์อ่านไปต้องนึกภาพคนที่วางแผนชั่วทําลายนาบีของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นคนดีหรือคนเลว ไม่คนเลวครับวันนี้ก็เหมือนการคนที่วางแผนทําลายกุลอานมีไหมมีครับแล้วคนวางแผนทําลายสุนัขนบีมีไหมมีครับแล้วก็วางแผนทําลายคนที่อีมานต่ลอล้อทั่วโลกอะ่ะมีไหมมีครับแล้วคนที่วางแผนชั่วแบบนี้ถ้าว่าคนนั่นจะมีบราระกัดในชีวิตไหมล่ะแต่เอาล็อให้อยู่ไหมให้อยู่อมโรคเอาไว้ทนั้นแหละอาการไม่สแสดง อาการเมื่อสดงนี่อันตรายมากนะครับคนที่ด่าพ่อแม่อย่างเดียวนะครับที่อลัลลอฮ์ลงโทษก่อนตายอะ่ะลอกนั้นอลัลลอฮ์ประวิงเวลาไว้หมดเลยอะ่ะยกเว้นวางแผนชั่วกับพ่อแม่เตะพ่อแม่ด่าพ่อแม่อะไรกตากับพ่อแม่ทั้งหมดอลัลลอฮ์จะแสดงอาการให้เห็นก่อนตายหมดเลยถะาท่า น, นต้องตอบตาตัวงานานี้วางแผนร้ายนี่อย่าไปทําเลยนะครับเนี่ย ฝ่อรอดูบีไกดะดังนั้นพวกเขามีความประสงค์มีความต้องการที่จะวางแผนร้ายต่อนบีอิบราฮิมนี่อัลลอฮสรุปชีวิตให้ฟังนะฝ่ายยลนาหุมยาเล่าไปว่าเราได้ทำและเราอัลลอฮได้ทำให้พวกเขาพวก ญาติญาติของนบีอิบรอฮิมทั้งหมดนั่นแหละครับกษัตริย์นมรุดด้วยนะเนี่ยกษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวางแผนเองชื่ออะไรนะนุมรูดแต่กุณอานไม่ได้เล่าเยอะแลนะนะแต่เล่ากษัตริย์ฟาโร่เยอะฟาโร่ฟาโร่ฟาโฟร่เยอะพอฟาโร่เนี่ยอร่อยจริงๆริใช่ไหมอันใครที่เป็นเป็นผู้ปกครองประเทศจะเป็นระ ด, ดับไหนก็ตามถ้าวางแผนทําลายคนเมื่อไรนะทําลายประชาชน ประชาชนมีสองระดับระดับล่างระดับสูงระดับกลางมีจำมเมืองไทยมีสามระดับนะระดับล่างระดับกลางระดับบนไอระดับบนนี่นะดูถูกเหยียดหยามคนระดับกลางหรือว่าดูถูกเหยียดหยามคนระดับล่างเรียกว่าไพร่นะเอ็งระวังตัวให้ดีไปแล้วกันอีกคุณอ่านนะครับกุณอ่านเตือนนะสํานึกตัวได้แล้วจะไม่ถ้าไม่อ่านกุณอ่านไม่สํานึกนะครับฟาญอลนาฮูมุลอาสฟาลอาสฟาลแปลว่าตกต่ํา คือแผนการของเขาที่วางแผนไว้จะทำร้ายแผนร้ายที่จะฆ่านบีอิบรอฮีมนั้นทำสำเร็จไหมไม่สำเร็จเขาเรียกว่าอัสฟัลอ่าภาษาคุรานนนและเราได้ทำให้พวกเขานั้นตกตามหมายถึงทำไม่สำเร็จในอายะอื่นมีอีกนะครับวารอดูบีไกดามฟาเจลนาฮุมุลอัลซารีสุระอับยา อยายะที่เจสิบก็พูดคล้ายๆกันว่าและพวกเขาเนี่ยมีความต้องการวางแผนร้ายต่ออิบรอฮีมแต่เราได้ทำให้พวกเขาผู้บูชาจเจวิตเป็นผู้สูญเสียโดยทำให้แผนการของเขานั้นล้มเหลวแบบสิ้นเชิงทำอะไรไม่สำเร็จลงทุนจริงเผาจริงโยนาบีอิบรอฮีมใส่เตาจริงแต่เป็นไง ไม่ตายอัลลอฮ์สั่งไฟบอกไว้นะกูนีบารดันวัดบารดันวาส s ม l a อ a ล a l a ibrahim สั่งไฟให้เย็นอัลลอฮ์หน้าแตกหมดเลยอ่ะฉะนั้นอย่าไปเล่นกับอัลลอฮ์นะนี่อัลลอฮ์เล่าในอดีตว่าอัลลอฮ์จะคุ้มครองนบีคุ้มครองคนที่อีมา ن ต่ออัลลอฮ์ทุกคนนะอัลลอฮ์จะคุ้มครองหมดนะครับและคุ้มครองแบบสง่างามด้วยนี่เป็นกําลังใจกับพวกเราวันนี้ว่าคนที่อยู่ในศาสนานี้ ถ้าหากถูกรังแกถูกรังแกถูกฆ่านี่นะเมื่อถูกฆ่าแล้วเขาตายเสีหีดนะแต่ถ้าเขาไม่ถูกฆ่านี่เขาก็อยู่เขาก็ทํางานศาสนาต่อไปมีการเชิญชวนดาวว่าเรียบร้องทํางานศาสนาทําต่อไปไปน้องถูกดา่าถูกตําหนิไม่เคยท้อถอยเลยทําตลอดเวลานะครับตกลงก็มีศัพท์อยู่สองคำนะอะสฟาลีนอะไรนะัแปลว่าตกต่า แล้ว อ, อีกคำหนึ่งอักษรีบอกว่าสูญเสียนะครับอัลฮัมดุลิลละสุลลงว่าหมู่ชนของนบีอิบราฮิมรวมทั้งกษัตริย์นุมรุดด้วยนะครับวางแผนที่จะฆ่าอิบราฮิมฆ่าเศษไม้ไม่สําเร็จครับนี่เป็นข้อเตือนใจให้รู้ว่านะใครก็าตามวางแผนทําลายอุลรอ่านทําลายอัลลอฮ์ทำลายนบีทําลายผู้ศรัทธาต่อแล้วอาจจะทําลายได้เป็นบางครั้งบางคราวนะ เพราะอาลัลลอฮ์สอนอย่างนี้นะครับวะล้วละด้าฟุลลอฮุนนะสบาบลาฮุมบิบาบดินลาฟาซาดะติลอาร์ถ้าอัลล์เนี่ยไม่ยับยั้งคนกลุ่มหนึ่งไม่ยับยั้งคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ยับยั้งเพราะว่าวายูดีเนะ่วางแผนทำสงครามทุกปีปีหนึ่งหลายๆรอบเลยโรคโควิดเนี่ยเป็นแผนการของคนยงคนชั่วหะออัลลอ์เราเร า, เราไม่รู้นะแล้วก็อธิบายกันเข้าใจ ง, ง่ายง่าก็าแล้วกัน แผนซ้อนแผนงานเนี่ยแผนซ้อนแผนท่านใครที่วางแผนทําลายเนี่ยนะอลัลลอฮ์จะให้ตกตามหมดแล้วก็ถ้าหากอาลัลลอฮ์เนี่ยนะปล่อยให้มนุษย์นี่นะบริหารและอลัลลอฮ์ไม่ควบคุมเนี่ยนะนะโลกใบนี้สงครามมีมีทุกปีแต่นี่อลัลลอฮ์ได้ยับอย่างคนกลุ่มหนึ่งมายับยั้งคนอีกกลุ่มหนึ่งกรณีประเทศมุสลิมที่มีอิทธิพลหน่อยนะระมองดูอยู่ประเทศเดียว์ที่ตุรกีอ่ะ นอกนั้นเน่ยเป็นคีย่าอยูดีทั้งหมดนั่นแหละเดินตามก็จกจกจกจก่ะอย่างนี้เป็นต้นแต่นิดเดียวพอนะครับต่อมาอายที่99าสิบาว่าก้อเลอินนีจาฮิบุนอิลลอรับบี s a y y i d i ว่ก้อเลอินนีจาฮิบุนอิลลอรับบี s a y y i d i อัลลอฮฺอักบาร นี่เอาเราเล่าให้ฟังเลยนะเล่าให้นบีฟังให้พวกเราฟังด้วยว่าหลังจากโยนสายไฟแล้วไม่สําเร็จท่านนบีก็หมดหวังแล้วที่จะเผยแพร่อิสลามนะหมดหวังแล้วก็ทําไงต่อไปท่านพูดว่านบีอิบราฮิมพูดว่าไงนะก็แล้มาถึงนบีอิบรอฮิมพูดพูดว่าไงอินนีแทจริงฉันザฮีบุนฉันจะ ไปแล้วฉันจะเดินทางแล้วฉันจะออกจากเมืองเมืองนี้แล้วเมืองอะไรรู้เปล่าเมืองอิรักเมืองอิรักปัจจุบันนี้แหละที่อเมริกาจะยึดทั้ไว้วันนี้ยึดทั้งบอ่อน้ํามันด้วยนะขุดโฉมน้ํามันไปใช้ฟรีโอ้โหหักบาดเราปล่อยมุสลิมในอิรักนี่อยู่บ้านจนๆอะเอารถเล่นงานแน่ชาลุยไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ว่าก่อยอินนีราฮิบุลและเขาอิบราฮีมกล่าวว่าฉันจะราฮิบุนฉันจะไป <c oughs> หมายถึงฮิจาระอ่าทีนี้หมายถึงฮิจาระแล้วราฮิ <c oughs> แปลว่าเป็นผู้ที่ไปไปหาใครครับอิลารอบีไปหาพระผู้อาภีบาลของฉันสอนยาศาสนาในเมืองอิรักไม่สำเร็จ <c oughs> ก็ต้องอะไรต้องอบพยพในอายาอื่นอธิบายอย่างนี้อายาที่วกอเลอินนีมูฮาิรุนอิลรอ บ, บีอายาอื่นอธิบายว่าพูดตรงๆเลยมูฮายตเป็นผู้อบพยพเลยザฮิบุนแปลว่าผู้ไปยังไม่เข้าใจว่าไปไหนแต่อายาอื่นมาเสริมว่ามูฮายรุนเป็นผู้อบพยพ การอพยพในศาสนาเนี่ยมีหรือไม่มีมีครับนี่เป็นการเตือนนบีด้วยนะว่านาบีเองถ้ามีปัญหาอยู่มาก้าไม่ได้ก็ะทองอะไรต้องฮิเจเรรัดนบีได้กาลังใจเลยโอ้โนบีบรอฮีเนี่ยวัยใหญ่ที่สุดแล้วนะยังต้องอพยพจากประเทศอิรักไปประเทศอื่นนะไปทํางานศาสนาที่ประเทศอื่นต่อไปเนะพื่อจะบอกกับนบีให้รู้ว่า น บ, บีมุฮัมมัดก็เหมือนกันนะเวลาอยู่ที่มะกาไม่ได้เนี่ยต้องอะไรนะต้องอพยพแล้วก็เตือนพวกเราวันนี้ไว้ว่าการโอพยพบอย่ามองเป็นเรื่องไม่ดีก็นึกถึงพี่น้องเราใะ่ไปู่ย่าตายายเราที่มาจะปัตตานีใช่ไหมที่ถูกจับกันมาวันนั้นน่ะรอยอะไรนะ่ะรอยเท้ามาใช่ไหมอเอาไหวมาแล้วก็มาขุดคองแสนแสบเอาไว้เนี่ยต้องนึกประวัติตรงนี้ด้วยแล้วก็วันนี้กี่ปีแล้ว เราต้องนึกไหมนะอย่าเป็นนึกในทางลบนึกในทางบวกว่าอพยพ ก, กันมาจะปัตตานีแล้วมาอยู่ที่นี่วันนี้ ก, กรุงเทพมีมัสยิดเท่าไหร่แล้วก็มีคนที่ทํางานาศาสนาเท่าไหร่นี่เป็นแผนของอัลลอฮ์ทั้งหมดไม่ใช่มาแต่ตัวแต่พ า, าศาสนามาด้วยพาอีหมานมาด้วยพาดพามาหมดเลยอะเขามาอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้ทิ้งศาสนาเนี่ยเขามาอยู่แล้วก็สร้างมัสยิดแล้วตอนนี้มีทีวี หลายช่อมเลยนะครับลูกหลานปัตตานีหมดเลยนะที่มาทำงานศา ส, สนาวันนี้ต้องกล่าวว่างนอะัลฮัมดุลิเลาะฉันอย่อยามองการอพยพเป็นเรื่องไม่ดีแล้ววันนี้เป็น้องใ น, ในโลกอาหรับเนี่ยต้องอพยพอยู่ในยุโรปเต็ไมไปหมดเลยนะนี่เป็นแผงความรอทั้งหมดนะฉะนั้นการอพยพแต่ละครัง้งอย่าอพยพเพื่องเงินมนาบุลพัสซันในสอนพวกคนอินเดียนะไปอยู่ในโลก อเมริกาฝรั่งเศสแคนาดาญี่ปุ่นไปอยู่ทั่วโลกหมดเลยนะคนอินเดียนะอยู่เมืองไทยนีก่ก็เยอะนะ อ, อนาบอสันพูแล้วถ้าพวกเองมาอยู่ในยุโรปเพื่อหาเงินอย่างเดียวกันมาอยู่ของคุณมันฮารอมโอ้หพูดว่าฮารอมเลยนะคุณอยู่แบบผิดหมดเลยนะมาจากอินเดียนั้นะได้เงินเดือนเท่ากับประธานาธิบดีของอินเดียเลยนะเดือนละหลายๆแสนนะถ้าแทมถ้าม า, ม, ม, ามาหาเงินอย่างเดียว แล้วนั่ไม่ได้มาสอนอิสลามให้กับคนริมบ้านคุณการอยู่ของคุณเป็นความชั่วอันยิ่งใหญ่เลยทำได้เลยนะฉะนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ตามถ้าหากว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องอพยพตัวเองไปอยู่ที่อื่ น, น เ, เนี่ยบางยุสุบราวนี่มาจากบางอ้อมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องพัฒนาตัวเองไงไหมฉันจะอยู่ตรงไหนก็ตามต้องเอาอิสลามให้กับคนริมบ้านฉันให้ได้นะครับ อาต่อมาครับว่าก็เลอินนี่จะใบุญอิลรบบีเขานบอิบรอฮีมกล่าวว่าฉันจะฉันจะไปหาพระผู้อภิบาลของฉันสายะดีและอัลลอฮ์จะทรงนำทางฉันอัลลอฮ์ุอักบาลมั่นใจเลยว่าการอพยพก็ไปเพื่ออัลลอ ไปถึงปลายทางแล้วฉันจะทำงานศาสนาและอัลลอ์ก็จะชี้นำทางของฉันนี่บาระวไว้วางใจในอัลลอ์แบบพันบเส็จเลยนี่เตือนมุฮัมมัดเตือนพวกเราวันนี้อ่านกูนอ่านได้ขอคิดเยอะมากเลยฉะนั้นถ้าเราอยู่คอเครีตไม่ได้ต้องอพยพปไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมนะผมไปอะไรเนี่ยงานสกิดีเนี่ยบุชายแต่งงานเยอะมากที่ไหนนะ บางสะพานนี่มาก่อนถึงบางสภานนี่ที่ประชวดน่ะมีคนก็โทรสามมาให้แวดให้แวด ก, กินข้าวพวกก็แวดแวะสองสองสอ ง, สองเจ้านะ่ะเจ้าเจ้าที่สองนี่เขาเชิญให้บรรยายหน่อย <c oughs> คนฟังเยอะพี่น้องผมมาที่เนียรมาบรรยายนะั้นเนี่ยมาจะมางานนี้กันอ่านเนี่ยเมื่อให้บรรยายก็บรรยายไปเจอพี่น้องคองสิบเก้าคองสิบแปดคองสิบเก้าคองยี่สิบเรากูจักกันมาก่อนด้วยัทำดูเล่ทางห้่สนิทกันหมดเลยทำดูเล่ ทาในการเดินทางดีไหมดีครับทำด้วยกุศลคนทำดูเรียบร้อยแล้วเอาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แตะเยอะนะครับอ่ะทีนี้นบีอิบราฮิมเนี่ยอพยพไปถูประยูมเมืองชามอ่าที่นั่นเขาเรียกว่าอารดุลมมบาร์ก็เป็นแผ่นดินที่มีบรารักัดชามในปัจจุบันกับชามในสมัยก่อนมันต่างกันนิดนึเงเพราะว่ามันเปนแยกมาแล้วยะฮูดีมันจำแยกหมดเลยใช่ไหมามุสลิมอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ อ, อโอเคก็มีปัญหายังอยู่กันได้อยู่ทำดูเรียบรลอยแล้ว ตลงว่านบีอิบราฮีมต้องอยุยพหลังจากสอนศาสนาที่ประเทศอิรักไม่สำเร็จการคิดอุพยพนั้นเป็นศาสนาของอัลลอฮ์เพราะนั้นการอุพยพไม่ใช่เรื่องเลวนะเป็นเรื่องดีแต่ไปแล้วต้องนำศาสนาไปไปสอนคนด้วยนะครับในตับเซตอธิบายอย่างนี้นะครับซาบะซาฮิบุลอีลารอบบีเนี่ยท่าน ท่านกอตาดาพูดบอกว่าเวลาไปเนี่ยเอาหัวใจไปด้วยเอาศาสนาไปด้วยเอาการปฏิบัติเนี่ยที่เราเรียนอยู่เนี่ยพาไปให้หมดเลยนะอย่าอย่าพาไปเฉพาะตัวอย่างเดียวแล้วก็ทิ้งอิสลามมาไว้ที่บ้านไม่ใช่พาศาสนาไปด้วยอ่ะก็พาไปให้หมดเลยแล้วก็เอาไปเผยแผ่ที่ต่ออีกและอีกท่านหนึ่งอธิบายบอกว่ามุฮาจิรุนอิลาัฮี บินับสีฟาฮาจรม บ, บินอร์ดิลไอรอกการอพยพครั้งนี้เป็นการอพยพครั้งแรกของโลกก่อนหน้านี้ไม่มีนบีคนใดอพยพนบีอิบราฮิมเป็นนบีคนแรกที่อพยพของโลกเลยนะไปกันสามคนหนึ่งนบีอิบรอฮิมสองนบีลูดเป็นหลานนะ่ะแล้วก็นางซาระพภรรยานาบีไปกันสามคน นี่พอข้าเมืองเมืองหนึ่งพอข่าเมืองเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าเมืองเนี่ยมันเลวมากอะ่ะมันจับทั้งสามคนนั่นเลยแล้วก็เอาผู้หญิงมานางซาร่าเนะี่ยสวยกษัตริย์ต้องการที่จะทําดินากับนางซาร่าเสร็จแล้วนบีดวงอิบราฮิมขอดวงอภิยาก็อขอดวงอาทาดินากับนางซาร่าไม่ได้อะ่ะพอจะเอามือจับเนี่ยมือสั่น ทำถึงสามครั้งแล้วสั่นทั้งตัวด้วยนี่อลัลลอฮ์คุ้มครองและอุทิศนบีอิบรอฮีมช่วยนบีขอจากอัอลลอ์บนโลกใบนี้เรามีมุสลิมแค่สองสามคนนี่แหละคนที่เป็นมุมินมีแค่สามคนเองเอลัลลอฮ์จะช่วยคุ้มครองไหนัล้วก็คุ้มครองหมดเมื่อกษัตทำซีนากับนางซาร่าไม่ได้เนี่ยก็เลยมอบผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อนางฮายามามาเป็นคนรับใช้ ก็นางสารักกพาฮายาตออกไปจากจากจากพระราชวังที่แล้วก็ไปอยู่กับ น, นบีอิบรอฮีมก็ได้นิกายกันอีกคนหนึ่งเ่ยการนิกายสองคนในศาสนาไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดแต่พระยาคนแรกไม่ชอบแล้ว น, นะละ่ะเอาต่อมาครับตกลงว่าการฮิจรร้อนี่นะครับฮิจรร้อนครั้งแรกในโลกเชื่ออะไรครับนบีอิบรอฮีมส่วนนบีมุฮัมมัดเป็นนบนีรุ่นเราวันนี้ก็ฮิจรร้อนเหมือนกันฮิจรร้อนไปไหน จากมกาไปอยู่ที่มดีนะแล้วยิบรีลงมหานาบีตอนเดินทางระหว่างทางว่านึกถึงมกาไหมนบีโอโหฉันไม่พอใจเลยที่ออกจากมกาเนะี่ยพราะบ้านเกิดมันนอนยิบรีมาว่าท่านจะต้องกลับมายึดมกาอีกครั้งหนึ่งได้กำลังใจเอาไปไปไปไปอยู่ได้ไม่กี่ปีใช่มหมมายึดนครมกาได้สําเร็จอัลรัมดุลีลาแล้วก็เอาจเจวิตที่นายก้าบ้านนะ่ะสามรอยหกสิบรูปเครียดออกหมดเลยนั่นคือเป้าหมาย แต่ระหว่งางที่อยู่ที่ này, มักกะเนี่ยไม่เคยแตะรูปเจเวดเลยนะเจวดตไม่เคยแตะเลยแต่เรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์สร้างนู่น claro อัลลอฮ์สร้างนี้อัลลอฮ์ให้นู่นอัลลอฮ์ให้นี้ตายแล้วต้องฟื้นฟื้นแล้วต้องมีวันเกียงมาอัลลอฮ์อธิบายเรามีสิบสามสิบสามปีไม่ไม่แตะเรื่องเจวีเลยพอกลับมายึดนครมักกาครั้งที่สองนี่เป็นไงอัลลอฮ์ลุยเลยลุยทำเดืลดเลยเอาต่อมาครับอายาที่หนึ่งอครับ รับเฮบลีม ال ีน ال ال ال อัลซฮีนรับเบฮบลีมีนอัลซฮีนรับเบฮบลีมีนอัลซฮีนพ่ออพยพ่น้องครับก็อยากได้ลูกอ่าพระอพยพบแล้วนี่อยากได้ลูกก็ที่ ประศัตรองค์หนึ่งที่มอบนางฮายาจมาใช่ไหมให้กับนางซาร่ห์และซาร่าห์ก็พามหาพบสามีนบีอิบราฮิมใช่ไหมละ่ะก็เลยจะแต่งงานกันและนางซาร่ห์แต่งกันมาหลายปีแล้วลูกไม่มีค่ะพอแต่งงานนางฮายาจเสร็จแล้วก็ได้ลูกชื่ออะไรนะชิ อ, อิสมาอินก่อนที่จะได้ลูกนะขออุดาก่อนดูดูอาของนบีที่ อัลลอฮ์เล uh, e, ่าให้นบีม ha ุฮ ah ัมม ah ัดฟังอ่ะอยากจะได้ลูกได้ลูกแบบไหนโอบบี้่าแต่ประผู้ริบาลของฉันเอ๋ยฮับบลีได้โปรดประทานแก่ฉันฮับแต่ว่าโปรดประทานได้โปรดประทานแก่ฉันมีนซฟอรีให้ลูกในหมู่คนสอนแร่ได้ลูกเป็นลูกที่สอนแร่ นี่อลัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังว่นบีอิบราฮีมน่ะเวลาเขาขอลูกน่ะเขาจะตามด้วยลูกที่ซ้อนแล้วไม่ใช่ลูกอย่างเดียวนึนกเตือนเรามาราาท้องอ่ะขอยังไงอ่ะอัลลอ์จะอยากได้ลูกมันคนกาเฟก็ขอบแบบนั้นแต่มุมินจะขอได้มีลูกอย่างเดียวไม่พอต้องตามด้วยซอลห่ รับบิฮาบลีมินอสออัลลอฮิอินอัลลอฮ์จะอยากได้ลูกไปลูกที่ไหนที่โซลิฮีนหนึ่งในบรรดาผู้มีศีสต์มี إ ي ม, ม, มีตักวามียาตินมีอิสต า, า์มีอิคลาสในตับซึ่งอธิบายว่าได้ลูกมาทำอะไรโอลามาอาธิบายดีว่ามีอยู่สามรายการหนึ่งมาช่วยเหลือ ง, งานดาวะ ได้ลูกมาเพื่อมาเอาลูกมาทำงานได้วะเรื่องที่สองนะครับคนเนี่ยนะไม่ใช่อลลอห์นะคนนี่น ะ, น อ, อ, นะนนนะอยู่คนเดียววงก็เหงาใช่ไหมมีภรรยากองเหงานบางทีภรรยาอยู่กันสองคนก็เหงานะถ้ามีลูกมาอีกเป็นไงไหมอลลอห์ได้การมีลูกเนี่ยนะครับทาให้จิตใจมันอะไรนะแก้เหงาได้ด้วย เรื่องที่สมช่วยเหลือคนในครอบครัวได้ด้วยมีอยู่สามสามรายการฉะนั้นการขอดุอาให้มีลูกที่ซอนแล้วต้องนึกนะมีลูกซอนแล้วเพื่อเอาไปทํางานศาสนาของอัลลอฮ์มาช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์สองแก้เหงาสามมันมาช่วยทํางานบงงานบ้านมันหมดเลย น, นะเป็นวางกับเนี่ยเป็นความประเสริฐที่อัลละฮ์เขาแนะนําว่าเวลาขอดุอาให้ลูกนะไม่ ขอดูอาจะมีลูกต้องขอดูอาพ่วงด้วยซอเลฮีนตามมาทุกครั้งไปอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องตกลงว่าใครที่ไม่มีลูกดูอานี่ก็เตือนเหมือนกันนะถ้าอยากได้ลูกให้ขอดูอาบท น, นี้ร็อบบีฮาบลีมินสอสซาเลฮีหรือได้ลูกแล้วลูกไม่ค่อยเอาศาสนาก็ให้ขอดูอาบท น, นี้แหละผมขอประจํานะ รับบิฮับลีมินอสโอลีไฮมขอเยอะเพราะเราห่วงลูกหลานไงใช่ไหมรอบบิฮับลีมินอสโอลีไฮนี่เป็นดวงอาด้วยนะเาเราเร า, เรานำธรรมาชาติได้ไหมได้ในกุราน เ, เรานำธอรมาชาติได้หมดเลยแต่ต้องรู้ที่มาด้วยว่ารับบิฮับลีมินอสโอลใครเป็นคนข อ, ขอครั้งแรกน บ, บีอิบราฮีมขอเป็นคนแรกนะครับเอาต่อมาครับอายาที่หนึ่งรอยหนึ่ง ฟบัญชร์น้าฮุบิุลามินฮาลิมฟบัญชร์นาบลมิฮลิม่าวดัด <Maz k> <DOWN> ูอาที่นบีบรหิมขออั่างอะรรับหรือไม่รับรับครับนี่เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังเพื่อต้องการให้พวกเรารู้วว่าคนดีเนี่ยหรือคนชั่วก็เหมือนกัน ถ้าขอดูอาจะเอาล็อคก็ให้หมดแล้วใช่ไหมแต่เลือกให้มันจะให้ตามใจหรอกนะพอดูอาเป็นอย่างนี้ขอแล้ววัาละให้หนึ่งในห้าหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ชา้าสามขออย่างหนึ่งเอาล็อให้อีกอย่างหนึ่งเช่นขอให้อยากได้ลูกผู้ชายให้ลูกผู้หญิงข้อที่สี่ขอแล้วไม่ได้แต่บัละัง์ไม่มี ข้อที่ห้าเนี่ยขอแล้วไม่ได้แต่ไปได้ในโลกอาคเรอหลังตายบนดุนยาเนี่ยไม่ได้มีไม่มีครับขออะไรอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเสร็จแล้วไม่ให้ไปให้หลังตายโอ้ถ้าจะอธิบายตรงนี้มันยาวอธิบายว่าขอการขอดูอาร์มีประโยชน์ไหมมีครับขอแล้วได้เลยขอแล้วได้ชาขออย่างนึงได้อีกอย่างหนึ่งขอแล้วไม่ได้แต่บาละไม่มีขอแล้วไม่ได้แต่ไปได้ในโลก อาคือเราหลังตายยางนี้เป็นต้นนะครับฟะบาชารนาหูบิหุลามินฮาลิมดังนั้นบาชารนาเราจึงแจ้งข่าวดีแก่เขาที่จะได้ลูกเนะี่ยจิบรีลงมาบอกอีกนะขอทุงอา จ, จะได้ลูกนะียจิบรีลงมาบอกเลยว่าท่านจะต้องได้ลูกเอยเลยนะมีอยู่สองคน คนแรกชื่ออิสมาอินคนที่สองชื่ออิสฮะแจ้งให้รู้เลยสำหรับอิสฮะเนี่ยห่างกับนบีฮัมห่างกับอิสมาอินเนี่ยสิบสาปีอิสมาอินคุณแม่ชื่อฮายักใช่ไหมละ่ะอายุสิบสาแล้วก็ภรรยาอีกคนหนึ่งนางซาราเนี่ยนะ ก, ก็ได้ลูกอีกคนหนึ่งชื่ออิสฮะเนี่ยห่างกันกี่ปีหรือมสิบสามปี คนที่สองเนี่ยลูกอิสฮารเนี่ยยิบรีลงมาบอกว่าคุณจะได้ลูกอีกคนหนึ่งและภรรยากันยืนฟังอยู่นะฮะฉันแกผัวก็แกจะได้ลูกหรือยิบรีตอบไปว่าไม่รู้ยิบรีไม่รู้เรวันนี้ยิบรีนั่งอยู่เนี่ยอลัลลอ์สามารถทำทาได้ทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นกำลังใจของพวกเรานะใครที่ว่าแกแกแล้วนะที่ว่าจะไม่มีลูกนะอลัลลอ์ให้มีลูกก็ได้ด้วย ฉะนั้นต้องไว้ใจในอวโลกนะทนะ่า น, นก่อนขอตั้งขอให้ได้ลูกเป็นศอแล้วนะครับแล้วก็มีลูกแล้วถามาลูกเพื่ออะไรต้องดึกตรงนี้ด้วยนะลูกเพื่อทำงานศาสนาดุญยาก็หาด้วยแต่ไมแต่ภาสาหนาอย่าทิ้งนะครับฟาบาเชอรนาหูดังนั้นเราจึงแจ้งข่าวดีแก่ข่าวอิบรอฮีมบิกรามินกุลามแปลว่าเด็กคนหนึ่ง เด็กผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหม น, นี่เออเลยนะให้ลูกผู้ชายนะมันจะลูกผู้หญิงด้วยส บ, บาใจไหมอ้าวแต่นี้ลูกแบบไหนแหละไอ้ที่ขอนะครูลูกๆสอนแรกจะมาอัลลอฮ์รับเลยฮาลิมินฮาลิมุนฮาลิมินแปลว่าวอดทนอัลลอฮ์รักว่าลูกที่มีความอดทนสูงฮาลิมอัลลอฮ์วักว่า ความจริงฮาลีมเนี่ยเป็นเป็นตของอัลลอ์นะอัลลอ์นี่อดทนมนุษย์ดาอัลลอ์วันละกี่คนวันละกี่ล้านคนนะ่ะหนาวก็ดาเย็นก็ดาฝนตกก็ดาจะม่ดาหมดแล้วจนก็ดาสารพัดดาอัลลอ์หมดแต่อนะัลลอฮ์น่ฮลีมนะอดทนแต่อัลลอ์ก็เล่าว่าท่านเอาซิฟฟตฉันเนี่ยลงไปใส่ในมนุษย์ก็มีเหมือนกันเช่น ได้อิสมาอินมาเนี่ยอลัลลอฮฺบอกว่าอิสมาอินนั้นเป็นลูกผู้ชายที่ฮาลีมุนแปลอะไรนะเป็นลูกที่อดทนภาษาขอใจเดีกๆก็บอขันติธรรมขันติธรรมนี่ยแปลวอะไรรู้ไหมแปลว่าอดทนต่อสิ่งที่ไม่พอใจโอ้ไม่ใช่อดทนอดทนต่อสิ่งที่ไม่พอใจด้วยนะถึงจะเรียกว่าฮาลีมฉะนั้นเวลาใครด่ามาใครต่อว่ามาอะไรมาเนี่ยต้องอดทนนะ เราพอใจไหมเราไม่พอใจพรยาผูจาไม่เข้าอกก็ต้องอดทนนะ่ะอดทนแบบนี้เรียกว่าฮารีมไม่ใช่สบัตนะ่ะถ้าสบัดนะ่ะสบัดธรรมดาแต่ถ้าฮารีมแสดงว่าใหญ่กว่าสบัดธรรมดาต้องอดทนสูงมากครับพนะี่น้องอุลมะอธิบายอย่างนี้สบัดมีอยู่สามอย่างสบัดทําความดีลุกขึ้นน้มาตะฮัดยุทธเนี่ยงานเหนื่อยไหมงานเหนื่อยนะงานต้องเบรคหนะต้องเหยียบอารมณ์นะ ถ้าใครลุกขึ้นได้คนนี้เป็นคนที่ฮาลีมอัลลอฮฺอักบารได้รังวันเยอะมากครับพี่น้องต่อมาครับสะบาศไม่ทําบาปไม่ทําความชั่วอันที่ 3, สามสะบัศเนี่ยเรื่องอารมณ์ไม่ดีต่างๆของที่เราไม่พอใจไม่ถูกใจคนนั้นดา่าคนนี้ว่าเงินทองน้อยเจ็บไข้ได้ป่วยมาต้องสะบาศหมดเลยนะอ ย, ย่าโวยวายเยอะพี่น้องแล้วก็ถ้าจะการขอก็ขอจอากอัลลอฮฺแต่นึกถึงหมอก่อนหรือมนต์นึกถึงอลัลลอฮฺก่อน นึกถึงหมอที่หลังดูอาก่อนขอถูาเอาต่อรอก่อนนะครับทีนี้คำว่าฮาลิมเนี่ยในคัมภีย์กุรอานอธิบายอย่างนี้ ah อินนอีบรอฮิมละฮาลิมุนอาวฮบุนมูนีบุนซุร่าฮูดข้อที่เจ็บห้านะครับแท้จริงเนี่ยอัลลอ์ชมนะชมนบีนะว่าใครบ้างในโลกนี้ที่อัลลอฮ์ชมว่าเป็นคนอดทนสูงนัมีไม่กี่คนหรอกครับ คนที่หนึ่งก็คืออินนาอิบรอฮิมนบีอิบรอฮิมนั้นเป็นคนที่ลาาลีมุ่นเป็นคนที่อดทนอะไรนะสูงมากเลยผิดม้องรู้ประวัติใช่ไหมเชือดใครอิบรอฮิมเชือญลุงชายอดทนไหมโยนส่ไฟไหมอพยพมาโอลโลงานเหนื่อยหมดเลยแต่ท่านอดทนมาตลอดเรื่องที่สองอาวาวหุนแปลว่ามีจิตใจอ่อนโยนสงสารมนุษย์ สัตด้วยเอาวะนี่สิฝ่ยของคนนะคนดีเนะี่ยต้องอดทนคนตีแบบที่สองก็คือต้องสงสารเมตตาคนสงสารมนุษย์สงสารสัตว์สงสารหมดเลยพี่น้องอย่าไปแข่งกระด้างอะ่ะอลัลลอฮ์สั่งนบีนะอย่าอย่ากระด้างนะและสัง่งพวกเราทุกคนนะอย่าโหดร้ายนะความโหดร้ายนะ่ะมีทุกกันทุกคนนั่นแหละแต่เราเหยียบเอาไว้ไนงะ แล้วก็เอาความสงสารมาแทนอัลลอฮ์รับคนประเภทนี้โดยให้ท่านนาบีมาเป็นแบบก่อนองอเอาหุลนแปลว่ า, วามีจิตใจอ่อนโยนสงสารมนุษย์สัตว์ด้วยนะต้นมต้นไม้ด้วยนะมีต้นไม้อยู่หน้าบ้านต้องรดน้ำด้วยนะมีแมวให้อาหารแมวด้วยนะสงสารคนเธอสงสารตัวเองสงสารภรรยาสงสารลูกๆสิทธิ์นี่เกตเอาไว้เยอะๆข้อที่สองมูลนี้บุญข้อที่สามนะครับ หันหนะ้าเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่สิฟัดนี่ยิ่งใหญ่นะเนี่อัลลอฮ์นะเล่าให้นบีประมัดฟังว่นานบีอิบราฮิมมีสามสิฟัใหญ่ใหญ่สิฟันี่นบีนํามาไปใช้แล้วให้นบีมาสอนอุมม่าของท่านว่าให้น้าสามสิฟัดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหนึ่งอดทนสองอะไรสงสารให้อภัยกับคนเยอะๆข้ อ, อที่สามหันหนะ้าเข้าหาอัลลอฮ์ อย่าหันหน้าเข้าหาเงินอย่าหันหน้าเข้าหาเกียรติยศอย่าหันหน้าเข้าหาตําแหน่งอย่าหันหน้าเข้าหาโน่นเข้าหาอัลลอฮ์ให้หมดเลยคือวันนั้นนะสัลี่หัวใจสงบอัลลอฮ์เข้าหาอัลลอฮ์เมื่อไรหัวใจสงบหมดเลยกลับไปน้องเข้าหากุรานเข้าหานมาสตเข้าหาตักัวยาซันยาตีนอิคลาสเรียนสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะได้เข้าหาอัลลอฮ์แบบสบายใจตกลงว่า ในตัปซีอธิบายดีนะครับบุานบีอิบราฮีมตอนได้ลูกนบีอิสมาอลนอายุ86 <laughs> แก่นั่นนะนะตอนได้ลูกนบีอิษฮะอายุ99อัลลอฮฺอัลกุบะษ์ขำจุลิลละเอัต่อมาอายาที่102ฟาลัมบาลาห์มะอาหุสัย قال يا بنية إني أرى في المنام إني أزبحك فانظر ماذا ترى قال يا أب تفعل ما تأمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. فلما بلغ معه ا ل س ا ع ي َ قال يا ب ن ي إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. อาเลียบะติฟอัลมาตุมรสัตตจิดุนีอินชาอัลลอฮุมินัลซับิรีอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอนฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลลลอฮฺอลลอฮฺอัลลอฮฮัลลอัลลัลลลลอฮฺอัลลอลลอฮฺอัลออฮััออลั ฟลมมัลัมมาลัมมาแปลว่าครั้นเมื่อบลาลลักร์แปลว่าบาลิศ เ, เติบเติบเติบโตบาลุนิติภาวะนะบลาลลักรหมายถึงโตขึ้นมาอหูอัายาัายะแปลว่าเดินไปมาเมื่อนับี เมื่ออิสมาอิโตขึ้นสามารถเดินไปไหนมาไหนมาอาหูกับพ่อของเขาเน่ตอ เ, เล่าละเอียดเลยนะเล่าละเอียดยิบเลยเมื่ออิสมาอิโตขึ้นบ้านเราก็มันว่าโตขึ้นมาอาหุสายเดินสายสาไปไปอะสายว่าเดินไงสายจากภูเขาอะไรโอฟาเนี่ยสาะอยู่ม่ว่าเดิน เดินดัเนื่อยด้วยนะต้องวิ่งด้วยนะวิ่งด้วยเดินด้วยกี่เที่ยวเจ็ดเที่ยวอ่ะเห็นไหมาบางคนเดินผิดนะท้งไปทางกลับเ ท, ที่ยวนงเนื่อยนะก็ให้นับหนึ่งสองหนึ่งสองวัล ม, มาบาลโกมาอาหุซษยาขั้นเมื่ออิสมาอินโตขึ้นร่วมไปมากับเขากับพ่อชื่ออิบรอฮีนกอล่ะ อิบราฮิมพูดพูดว่ายาบุไนยลูกจ๋านี่พ่อกับลูกคุยกันตูจะคุยเรื่องอะไ ร, รอ่ะเขาล้อว่มันจะคุยเรื่องเงินเลยคุยยังไงวะอินนีอรอฟิลมานามอรอว่าฉันได้เห็นแท้จริงฉันอินนีแปลว่าแท้จริงฉันอรอได้เห็น ฟิลมาน้ำในการนอนในฝันแท้จริงพ่อเนี่ยฝันเห็นเล่าเรื่องความฝันให้ลูกฟังไอ้ฝันนี่นะอุลมะอธิบายดีฝันมีสามอย่างฝันในวันในวันนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นสามฝันมาจากอัลลอฮอฮเขาจะฝันดีฝันมาจากตัวเองไม่ค่อยดี ฝันมาจากไซต์ตอนอันนี้ไม่ดีฝันมาจากอัลลอฮฺนะดีฝันที่ฝันดีนั้นเล่าให้คนใกล้ชิดฟังได้แต่อย่าเล่าเยอะฝันไม่ดีเนี่ยอย่าเล่าให้ใครฟังเลยถ้ากลัวให้ลุกขึ้นมาอาบหน้านมาแปลงฝันนมาสองอแลเรขอดุทิศต่อเรออย่าให้ฝันชั่วชั่วฝันไม่ดีเนี่ยเป็นความจริงอย่าเล่าให้ใครฟังให้เก็บเป็นความลับ ถ้าฝันดีอย่างเดียวให้แล้วนี่ไงฝันดีหรือฝันไม่ดีนี่ฝันไม่ดีเหมือนกันนะแต่ว่าความฝันของของนบีเป็นวาฮีอ่ายกเว้นนะการฝันของคนทั้งหมดนะครับคนที่เป็นนบีฝันเรื่องฝันเป็นวาฮีไม่ใช่ฝันมาจากไสยตอมันเป็นเป็นวาฮีทั้งหมดนะครัอันต่อมาครับ ยาบุไนยะนินาบีบรหีมเล่าให้ลูกฟังวบนลูกจ๋าอินนีอารอฟิลมานามแท้จริงพ่อเนี่ยได้ฝันเห็นว่าอินนีแท้จริงพ่อเนี่ยอัลบาฮูกะเชื่อท่านเชื่อลูกซาบหา้าในว่าเชื่อครับอัสบาฮูกะฉันเชื่อลูก ฟังรุ่มาจาะจรอฟังรุ่ปลว่าจงดูเถิดจงใช้ปัญญาเถิดจงคิดเถิดมาจะแปลว่าอะไรตารอท่านเห็นท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรพ่อฝันว่าพ่อเนี่ยเชื่อลูกลูกเอย ให้ลูกคิดดูไต่ตองดูมอวันเป็นยังไงดีหรือไม่ดีอัลลอฮอักวาตอัลลอฮ์เล่าความฝันว่าพ่อเชื่อลูกถามลูกเอาอยัางไงเห็นด e ้วยไหมเห็นดีไหมลูกตอบว่ายังไงหรือไม่ก อ, อละก็เล่าหมายถึงอิสมาอินตอบยาอาบาติโอพ่อจ๋าอิฟัลจงปฏิบัติเถอิฟัลจงทําเถอ มาตุมสิ่งที่ถูกบัญชาพ่อจะททำเลยนั่นนะ่ะเขาสอนกันในครอบครัวเขาสอนกันยังไงเนี่ยไม่เชื่อพ่อหมดเลยนะพ่อสั่งอะไรทำหมดเห็นยังครับถึงก็่อได้เล่าว่าอิสมาอินเป็นคนที่ฮาลิมุนอิบราฮีมก็ฮาลิมุนอดทนสูงมากถามว่าฝันว่าเชื่อนเะนี่ยมันเรื่องง่ายหรือเรื่องยากยาก แล้มีลูกคนแรกด้วยให้เชื่อนอกอัลลอฮ์ถ้าไม่มีอิมานจะเชื่อไหมอัลลอฮ์อัลลอ์เล่าเห็นลูกเฉบจักรยานระวังระวังรถจะชนอัลลอฮ์เอาอัลลอ์บังบัดยาปฏิฟันมาตุมันั่นนี่ลูกนะอิสมาอิลตอบกับพ่อว่าพ่อจะจงปฏิบัติตามที่พ่อถูกสั่งถูกบัญชาเถอะ ซาตาจีดูนีนี่ลูกผู้ต่ออีกจะได้พบฉันอินชาอัลลอฮ์นี่สอนมารยาในการพูดจาเรื่องข้างหน้าเนี่ยต้องใสอินชาอัลลอฮ์มีนอฟฟะบิรินเป็นผู้หนึ่งจากผู้อดทนอั allah ลลอฮ์ตกองว่าการที่นบีอิสมาอินี่ตอนนั้นยังยังยังยังยังไม่ได้เป็นนบีนะนะ บอกกับพ่อพ่อถามตามที่พ่อถูกสั่งมาเถอะเหมือนกับต่ครอบครัวพูดศาสนา ก, กันมาตลอดนะความฝันของนบีเป็นเรื่องจริงนะนี่เป็นวาฮีจากอลัลลอฮ์นะพ่อจะปฏิบัติเลยแล้วพ่อจะได้เห็นฉันฉันนี่เป็นลูกที่ไรนะอดท น, น, นเพราะอดท น, เ ป, นเป็นสิ่งศักดิ์ของคนดีสิ่ศักดิ์ของคนดีจนะมาอดทนอดทนมีสามอย่างนะ อดทนในการทำความดีอดทนไม่ทำความชั่วอดทนต่อสิ่งที่ไม่พอใจทั้งหมดโอ้อักบัตอัลลอฮอักบัต์ทำดูดีลยเอาต่อมาอายาที่หนึ่งสไม่ใช่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสอต้อซีอธิบายอย่างนี้ฟะละมาบะลวะมาฮุสซัยานี่ทำทำอะไรท่านก็ตาดได้อธิบายว่ายัมซีมาอาอาบีฮิเดินไปไหนมาไหนกับพ่อ ท่านอัคริมาบอกว่าสามารถทำงานช่วยพ่อได้ท่านเซธบอกว่านมาได้ถือบวชได้ส3บสามควนี่นะนมาแล้วแล้วก็ถือบวช ด, ด้วยนะครับส่วนท่านอับบาสญาต์นบีนะครับบอกว่าซ้อมาวซอลล่านมาด้วยถือบวช ด, ด้วยคืออิสมาเอเนี่ยนมาแล้วถือบวชแล้วนะ อายุ13นัง12 13เขาฝึกฝึกกันแล้วที่เป็นความดีนะเป็นความดีอันยิ่งใหญ่แล้วก็ท่านฟรรอบอกว่าวันนั้นอายุแค่13ปีอ่า13ขวบท่านยิงอาอชาไดรายงานจากดิบุควารีบอกว่าอันนะอิบราฮีมลมมาอุลกิยาฟินนารีกานติดดาวบุคุลุฮะตุดฟิออันหุนนาร ในนางอิชาเล่าเองนะครับเมื่อตอนอิบราฮิมถูกโยนใส่ไฟเนี่ยสัตว์ทุกชนิดช่วยกันดับไฟสัตว์ทุกชนิดเดวาว่าสัตว์ทุกชนิดช่วยกันดับไฟพระสงสารอิบราฮิมอิลลัลวาซานอกจากจิ้งจกฟอินนาฮากานัดจิ้งจกมันช่วยเป่าไฟให้ลุก เพื่อที่ทำลายนบีมรอีบฝาอามาระหาแล้วก็ น, นางเล่าว่านบีเนี่ยสั่งให้ฆ่าจึงจบจิงจบที่เรารู้อยู่แล้วใากมารีมานี่มันฮะดีชัดเจนฮะที่กล่าวไปมางบุครีตวงว่าสัตว์ทุกชนิดนสงสารนบีหมดนี่ะเนี่ยตัวการจะบอกว่าคนที่ทำความดีเนี่ยนะสัตว์ทุกชนิดนะขอทุอาให้นะขอทุกอาเราอา ให้คนที่ทำในบาดาเนี่ยขอดทุกอาตะมงตนมากนี่ขอทุกอาให้คนที่เดินมามัสยิดน่ะคนมาฟังศาสนาเนี่ยตัวตนตัวอย่างโคตรมาให้เราหมดไอเดินมาทำพิณรนามันสาบแช่งอยู่นะข้าวบานในครับในโรคโรคควิดมานี่โอ้โหคนข้าวงเข้าบอล น, นี่ถูกหมดเลยนะตอนนี้หยุดหมดเลยนะข้ามเดือนแล้วข้ามเดือเอาต่อมากับพระยาที่หนึ่งร้อยสาม ฟะลัมมาอัสลามาวะตะลาหูลิลจับินฟะลัมมาอَสลามาวะตะลาหูลิลจับินทำโดยละรอนเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังว่าลูกกับพ่อเขาคุยเรื่องอะไรเล่าหนักระพีคุณอ่านหมดเลยแล้วก็พูดว่ายังไงลูกพ่อยังไงเล่าหมดอ่ามาดูท่าไอตอนจะเชื่อดิก ฟลัล ม, มาอสลา ม, มาลา ม, มาแปลว่าขั้นเมื่ออาสล ม, มาที่เป็นโทพธ์นะทั้งสองเนี่ยได้ยอมอลัลลอ์อสล ม, มาแปลว่าได้ยอมจำนนนี่เป็นคำของศาสนาอิสลามเนี่ยสับคำนี้แหละอาอสล ม, มาแปลว่าอสล ม, มาแปลว่าเขายอมรับนับถืออัลอ์ิสลามสัเดิมมัน่ะ ถ้าอัลลมาตรงนี้แปลว่าเขายอมจำนวนตนต่อ AH. อัลลอฮ์อัลลมาคนเดียวถ้าอัลลมาเป็นโทวโรภดทางพ่อและลูกเนี่ยยอมจำนวนตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงอัลลอฮ์ชมนนกพีกุรานอัลลอฮ์นะครั บ, ร, AH. ร, บรับไปไงครับวาตัลลาตัลลาห์นวาความหน้า ตรงกับอัับดีคำหนึง่งกับบะคว่มหน้าตั้ลากับบะลิลจาบีนจาบินแปลว่าหน้าผากหน้าผากจาบีนยุบนุนจาบะยันจะมีบนหน้าผาก ค, คือนบีอิบราฮีมเนี่ยจับอิสมาอีนแล้วก็คว่มหน้าลงกับพื้นในตีนตน้นใกล้ใกล้จะเชื่อแล้วแ ล, และอิแลอิสมาอนเนี่ยสั่งพ่อนะพ่อนะ พ่อนะเอาฉันเนี่ยคว่มหน้าแล้วก็พ่อเชื่อฉันไอตอนคว่มหน้านบีอิสมองเองพูดว่าไงได้ไหมฉันเนี่ยกำลังสุ้อยูต่ต่ออัลลอฮ์อัอลลอ์เห็นไหมจะถูกเชื่ออยู่แล้วโบวกพ่อจับฉันคว่มหน้าซะเหมือนกับฉันกำลังสายิตกำลังสุดอยูต่ต่ออัอลลอฮ์อยู่แสดงว่าหน้าผา ก, กับจมูกมาถึงพื้น นั่นเป็นภาพที่ดีที่สุดที่อัลลอฮพอใจที่สุดฉะนั้นฝึกตัวเราเองให้สู้ยูดต่ออัลลอฮเยอะๆให้ภรรยาสูยู่ด้วยให้ลูกสูยู่ด้วยเพราะท่าสูยูดเป็นท่าที่อัลลอพอใจที่สุดที่ต้องสังเกตเลมนุษย์เนี่ยต้องต้องนำมาถึงจะสูยู่ใช่ไหมแพะแกะอัวควายเนี่ยมันเอาจมูกกับปากกัมนมาหน้าผากมันัด จดพื้นตลอดเวลากอนไหนตอ น, น, น, ตอ น, น, นมันกินผมก็นึกโอ้แพะแกวัวควายสัตว์ในโลกนี้สู้อยู่ต่ออัลลอ์ตลอดเวลากินน้ำทีกินหญ้าทีสู้อยูอ่น่ะและเราเนี่ยทําไมนามาตเองสู้อยู่ไม่เป็น่ะมันต้องคิดคิดเยอะๆตัวลวงว่าสัตว์ที่อัลลอ์บอกว่าสัพรพสิงทางหลาาในโลกนี้สู้อยู่ต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดอด่ะ แล้วมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าเองไม่รู้จักนามาดเองสูดหยุดไม่เป็นถ้าสูดหยุดไม่เป็นน่ะอาร้ อ, ล, อลงโทษไหมไม่ไม่มีอาการอ่าอาการไม่ออกแบบโรคโควิดนี่แหละอาการไม่ออกจะออกอาการตอนหนาตอนใกล้จะตายเพราะเองไม่เคยสูดหยุด ต, ตอลอดเลยผมพบอรย์มนตรีกระทรวงเอากรอบของสวัสดีมาเยี่ยมผมที่บ้านเนี่ยก็าบอกว่าเมื่อได้เวลานามาดเนี่ยวิญญาณอยากจะสูดหยุด ร, รู้เปล่า พูดดีมากเลยนะวิญญาณเราเนะี่ยอยากจะสุญญุตแต่ไอเจ้าของวิญญาณที่อยู่ในตัวเรามันมันไม่สุญญุตแต่วิญญาณนะร่วมมันอยากจะสุญญุตร อ, อภาษาเนี่ผมมันทึกเลยนะเขียนดีว่าพูดดีอ่ทะท่านั้นอย่าลืมว่ามามได้เวลาอสาราปั๊บนี่นะร่วมมันอยากจะสุญญนะุตแต่ถ้าเราไม่สุญญุตนะวิญญาณมันก็บอกมึงเป็นเจ้าของกูได้ยังไงวะตาหนิในใจนิ ด, น, ดนิดนะ เหมือนกันวิญญาณเนี่ยจะกินอาหารแต่ละครำนี่นะถ้าไม่กาบิสมิลาเน่วิญญาณอุดอัดนะอุดอัดครับต่อมาครับฟะลัมะอัลสลามะฟาตัลละวัตัลละฮูลิลจบินคันเมื่อทั้งสองได้ยอมมอบตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงวัตัลละฮูและเข่าอิบราฮีมนั้น ได้ให้อิสมาอีนนอนคว่ำหน้าลงอลัลลอฮ์นอนคว่ำหน้าลงอิสมาอินพูดว่าถ้าพ่อเห็นหน้าลูกอาจจะเชื่อญไม่ได้สงสารจับลูกคว่ำซะหนึ่งพ่อไม่เห็นหน้าลูกสองลูกทําสุยุด อ, อ, อัลลอฮ์อัลวาดสองความหมาย ด, ดีจริงๆนะฮัมดิลลิละฉะนั้นถ้าสุยุดเป็นท่าที่ดีที่สุดนะมดิลิละเอาต่อมาครับ คำว่าอัสลามะในกุรานามีระหมดหลายสิบครั้งนะจะนำมาเล่าสักสักครั้งเดียวพอนะมั่นอัสลามะวาเจฮาวูลินละใครที่ยอมจำนนต่ออัลลอ์เอาใบหน้าของเขามุ่งตรงต่ออัลลอ์นะเขาได้ยึดอยู่ในทางนำที่ถูกต้องแล้วท่าสูดยู่ของเราเป็นท่าที่อัลลอ์พอใจที่สุด อ, ลอัลลอฮุอะกเรื่องที่สองนะครับ สวรรค์นเนี่ยเรียดร้องอยากได้คนประเภทไหนเข้าสวรรค์คนที่สูอยู่ต่ออัลลอฮ์คนที่ยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์สวรรค์อยากได้คนประเภทนี้คนที่เย่อหยิงจองหองอวดดีตะกบบดอัลลอฮ์มสวรรค์ไม่อยากได้คนประเภทนี้นรกอยากได้พอเห็นคนประเภทนี้เดินอยู่ในทุ่งม้าชัดนะคนที่ไม่เคยสูอยู่ต่ออัลลอฮ์เนี่ย คนไม่เคยสงสารเมตาคนนะั้นนรกมาเห็นฮึเรียกมาเรียกมานี้มานนี้วันนี้แต่สวรรค์เนี่ยจะเรียกร้องคนที่ยนึงนับถืออัลลอฮ์องเดียวอิคลาดด้วยความบนสุดใจต่ออัลลอฮ์เท่านั้นะแล้วก็สองคนที่ปฏิบัติตามยุคเรานี่นะปฏิบัติตามสุนนะนบีที่สวรรค์อยากได้อัลลอฮ์คนทั้งโลกเอานาบีคนเดียวมาเป็นแบบอ่ะนั้นท่าทางขอ ง, ม, งมุ่งินทั่วโลกดูเหมือนกันหมดเลยนะ นามาดเหมือนกันถือสิีลอดเหมือนกันความคิดเหมือนกันเสียสละเหมือนกันหลอกอาควาสสง่างามจริงๆนะครับอาอยะสุดท้ายวานาไดนาหูไอยาอิบรอฮิมวานาไดนาหูไอยาอิบรอฮิมนาไดนาหูแปลว่าเราได้เรียกเขา เรียกชื่อเลยนี่อัลลาอฮ์เล่เาฮะยบรีฟังอัลลอฮ์ทังให้ยิบรีน ล, ลงมามลาอิกาน ล, ลงมามาหาอิบรอฮิมตอนจะเชื่อเนี่ยนะไออิบราฮิมเราได้เรียกร้องว่าอิบรอฮิมเอออัลลอฮ์ Allah สะดุ้งนะ้าจะเชื่ออยู่แล้วอิบรอฮิมเออเนี่อยอายะนี้อุลวะกะ อ, อติบดายต่อยาคนดีดี อโลคุ้มครองหมดทำไมมีดไม่สามารถเชื่ออิบรอฮีมได้วันนั้นนะมีดทื่อนะขนาดคมกริบแล้วนะเชื่อไม่เข้ า, ขานบีอิบรอฮีมถูกโยนใส่ไฟไฟเย็นเอามีดจะมาเชื่อลูกมีดทื่อและมีเสียงมาอีกอิบรอฮีมเอ๋ยอ่าต่อไปอที่ิตย์1ร้ห้า قدصدقترؤيا ا ل ل a أكبر إن كذلكناجزي المحصنين قدصدقترؤيا إن ك ذ ل ك ن ا ج ز ل م ح ص ن ي ن ซดดักรู้แปลว่าท่านปฏิบัติสมจริงแล้วอัลลอฮ์ใช่ไม <ين> <ين> ท่านปฏิบัติสมจริงแล้วอรุยาตามที่คุณฝันที่ท่านฝันนั้นท่านปฏิบัติตามฝันเป็นที่สมจริงแล้วอัลลอฮ์พอใจแล้วต่อมาครับอินกาซาลิกะแท้จริงกาซาลิกะในทานองเดียวกันนาจซิลมุฮซินีเราตอบแทนผู้ที่ทำความดีทุกคนที่ ยอมจำนนตนต่ออัลลอ์แบบนบีอิบราฮิมแบบนบีอิสมาอิคนที่มีสิฟัตอย่างนี้ทุกคนในโลกเราจะตอบแทนความดีเหมือนนบีอิบราฮิมเลยสบายใจมอัลฮัมดุลิเลนี่สบายใจพออ่อนานแล้วอัลลอฮ์กำลังใจเต็มหมดเลยแลาคนที่ยอมจำนนตนต่ออัลลอ์ ปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอ์ไม่วันลูกหรือพ่อหรือภรรยาในครอบครัวถ้าเชื่ออัลลอ์เนี่ยนะฮาหมุลิลละอักบัตกาซาลีกานาจิลมฮซินีนในทํานองเดียวกันนี้แหละเราตอบแทนผู้ที่ทำความดีทุกคนได้รับรางวัลบนดุนยามองไม่เห็นแต่จะเห็นหลังหลังตาอยู่ในกูโบนรับสิยอธิบายอย่างนี้นะครับที่มาเรียกเนี่ย มลายกามาเรียบบรอฮิมอัลลอฮฺไม่ต้องเชือ่อต์เราก็เอาอะไรมาแทนนะเอาแกะเอาแพะมาแทนจากสวรรค์ลเลยอัลลอหฺอัคบัดทำอยู่เลยเลยตัวนึงว่าคนที่อัลลอฮฺจะตอบแทนนะนี่นตับซิดอธิบายดีนะก็บอกว่าคนที่ขอบคุณอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะตอบแทนคนที่ควบคุมอารมณ์โกรธ อัลลอฮ์จะตอบแทนความดีคนที่ให้อภัยกับคนในสิ่งที่เราไม่พอใจทั้งหมดเรื่องที่เขาพูดมาทั้งหมดเราไม่พอใจที่เขาด่าเราเราไม่พอใจแต่เราอดทนและให้อภัยอัลลอฮ์จะตอบแทนคนประเภทนี้ข้อที่สมใครที่มีตักว้าต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนใครที่มีความสะบัดอดทนอัลลอฮ์จะตอบแทนใครที่เอาหน้าผากของเขาสูดอยู่กับพื้นเขาจะรับการตอบแทนจากอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละ illah, ดีหมดเลยครับ มารวิลาศ subhanallahumma wajhdika ashadu walla illa illa anta astaghfiruka wa taubailaik رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب ا ل ا ل م ي ن